สมาธิท่านรู้สึกแปลกและพิสดารมากทั้งคณิกสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิคือขณะจิตรวมเป็นคณิกสมาธิแล้วตั้งอยู่ในขณะเดียวแต่ไม่ได้ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาหากจะถอนออกมาสู่อุปจารสมาธิแล้วออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณบางครั้งเกี่ยวกับพวกพูดผีเทวบุตรเทวธิดาพญานาคต่างๆนับพบนับภมได้ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนี้ ซึ่งท่านใช้รับแขกจําพวกมีรูปไม่ปรากฏด้วยตามีเสียงไม่ปรากฏด้วยหูมาเป็นประจำบางครั้งกิตก็เหาะลอยออกจากกายแล้วเที่ยวชมสวรรค์วิมานและพรหมโลกชั้นต่างๆและลงไปเที่ยวดูพบภูมิของสัตว์นรกที่กําลังเสวยกรรมมีประเภทต่างกันอยู่ที่ที่ทรมานต่างๆกันตามกรรมของตนคําว่าขึ้นลงตามคําสมมุติที่โลกนํามาใช้กันตามกิริยาของกายซึ่งเป็นอวัยวะหยาบนั้น ผิดกับกิริยาของจิตซึ่งเป็นของละเอียดอยู่มากจนกลายเป็นคนลโลกเอาเลยคําว่าขึ้นหรือลงของกายรู้สึกเป็นประโยคพยายามอย่างเอาจริงเอาจังแต่จิตถ้าใช้กิริยาแบบกายบ้างว่าขึ้นหรือลงก็สักแต่ว่าเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นประโยคพยายามว่าจิตขึ้นหรือลงเลยคําว่าสวรรค์พรหมโลกและนิพพานอยู่สูงขึ้นไปตามลําดับแห่งความละเอียดของชั้นนั้นๆก็ดี คำว่านรกอยู่ตามลงไปตามลำดับของความตาม่ำแห่งภูมิและผู้มีกรรมต่างๆกันก็ดีนี้เรานําด้านวัตถุเข้าไปวัดกับนมามรรมเหล่านั้นต่างหากนรกสวรรค์เป็นต้นจึงมีสูงต่ำไปตามโลกเราพอเทียบกันได้บ้างเช่นนักโทษทั้งละหุโทษและคารุโทษที่อยู่ในเรือนจําอันเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ในที่ที่มนุษย์ผู้ไม่มีโทษทันอะไรอยู่กันในนักโทษทั้งสองชนิดไม่มีการขึ้นลงต่างกันที่ตรงไหนบ้างเลย ประอยู่ในเรือนจําอันเดียวกันและไม่มีขึ้นลงต่างกันกันกบมนุษย์ผู้ไม่มีโทษอีกด้วยเพราะเรือนจําหรือตารางอันเป็นที่อยู่ของนักโทษทุกชนิดอยู่กันกับสถานที่ที่มนุษย์อยู่กันมันเป็นแผ่นดินอันเดียวกันบ้านเมืองอันเดียวกันเป็นแต่แยกเป็นเอกเทศกันอยู่คนละส่วนเท่านั้นเมื่อต่างเมื่อต่างคนต่างมีตาดีหูดีทั้งระบุโทษครุโทษและมนุษย์ผู้ปราศจากโทษต่างก็มองเห็นได้ยิน และรู้เรื่องของกันได้อย่างธรรมดาทั่วไปไม่เป็นปัญหาเหมือนระหว่างพวกนรกกับเทวดาระหว่างเทวดากับพรหมและระหว่างพวกเทพทุกชั้นกับสัตว์นรกทุกภูมิและระหว่างสัตว์นรกทุกภูมิและเทวดาพรหมทุกชั้นกับพวกมนธธุษย์ที่ไม่รู้เรื่องของการละกันเอาเลยแม้กระแสะใจของทุกๆจำพวกจะส่งประสานผ่านภูมิที่อยู่ของการลกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เหมือนไม่ได้ผ่านและเหมือนไม่มีอะไรมีอยู่ในโลก นอกจากเราคนเดียวที่รู้เรื่องของตัวทุกอย่างเท่านั้นจะรับรองตนได้ว่าการมีอยู่ในโลกเพียงใจที่มีอยู่กับทุกคนตลอดสัตว์ก็ยังไม่สามารถรู้เรื่องความคิดดีชั่วของกันและกันได้ถ้าจะปฏิเสธว่าใจของคนและสัตว์ไม่มีและถ้ามีทําไมไม่รู้ไม่เห็นใจเรื่องใจกันบ้างดังนี้ก็พอจะปฏิเสธได้ถ้าจะเป็นความจริงตามคําปฏิเสธแต่จะปฏิเสธวันยังข้ามก็คงผิดไปทั้งวัน เพราะปกติคนและสัตว์ที่ยังครองทัวอยู่ย่อมมีใจด้วยกันทุกรายแม้จะไม่รู้ไม่เห็นความคิดของกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใจไม่มีในร่างที่เราไม่สามารถมองเห็นและได้ยินสิ่งละเอียดที่สุดวิสัยของตาหูจะรับรู้ได้ในโลกแห่งสัตว์ทั้งหลายก็คงขึ้นอยู่กับความไม่สามารถของแต่ละรายไม่ขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะปกปิดตัวเองคําว่าสวรรค์และพรหมโลกชั้นนั้นๆสูงขึ้นไปเป็นลําดับนั้น ก็ไม่ได้สูงขึ้นไปแบบบ้านที่มีหลายชั้นซึ่งเป็นด้านวัตถุดังที่รู้รู้กันที่จะต้องใช้บันไดหรือลิฟต์ขึ้นไปเป็นชั้นๆหากสูงแบบนมามธรรมขึ้นแบบนมามธรรมด้วยนมามธรรมคือใจดวงมีสมรรถภาพภายในตัวเพราะกรรมดีคือกุศลกรรมคําว่านรกต่ําก็ไม่ได้ต่ำแบบลงเหวลงบอ่อแต่ต่ําแบบนมามธรรมลงแบบนมามธรรมและดูด้วยนมามธรรมคือดวงใจมีความสามารถภายในตัว แต่ผู้ลงไปส่วยกรรมของตนต้องไปด้วยอำนาจรมชั่วที่พาให้เป็นไปในทางตรงกันข้ามอยู่รับความทุกข์ทรมานก็อยู่ด้วยกรรมพาให้อยู่จนกว่าจะพ้นโทษเหมือนคนติดคุกตารางตามกำหนดเวลาเมื่อพ้นโทษก็ออกจากคุกตารางไปฉะนั้นส่วนอุปจารสมาธิของท่านรู้สึกเริ่มเกี่ยวพันกันกันกบคณิกสมาธิมาแต่เริ่มแรกปฏิบัติเพราะจิตท่านเป็นจิตที่ว่องไวาผาดโผนมาดั้งเดิม เวลารวมลงเพียงขณะเดียวที่เรียกว่าคณิกะสมาธิก็เริ่มออกเที่ยวรู้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในวงของอุปจาระจนกระทั่งท่านมีความชํานาญและบังคับให้อยู่กับที่หรือให้ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆก็ได้แล้วจากนั้นท่านต้องการจะปฏิบัติต่อสมาธิประเภทใดก็ได้สะดวกตามต้องการคือจะให้เป็นคณิกะแล้วเลื่อนออกมาเป็นอุปจาระเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆหรือจะให้รวมสงบลงถึงฐานสมาธิอย่างเต็มที่ ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วพักอยู่ในสมาธินั้นตามต้องการก็ได้อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่สงบละเอียดแนบแน่นและเป็นความสงบสุขอย่างพอตัวผู้ปฏิบัติจึงมีทางติดสมาธิประเภทนี้ได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านเคยติดสมาธิประเภทนี้บ้างเหมือนกันแต่ท่านเป็นนิสัยปัญญาจึงหาทางออกได้ไม่นอนใจแ ล, และติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นาน ผู้ติดสมาธิประเภทนี้ทําให้เนินชาได้เหมือนกันถ้าไม่พยายามคิดค้นทางปัญญาต่อไปนักปฏิบัติที่ติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้มีเยอะแยะเพราะเป็นสมาธิที่เต็มไปด้วยความสุขความเยื่อใยและอ้อยอิงหน้าอาไลเสียดายอยู่มากไม่คิดอยากแยกตัวออกไปทางปัญญาอันเป็นทางถอนกิเลสทั้งมวลถ้าไม่มีผู้ฉลาดมาตักเตือนด้วยเหตุผลจริงๆจะไม่ยอมถอดถอนตัวออกมาสู่ทางปัญญาเอาเลย เมื่อจิตติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นานไปอาจเกิดความสำคัญตนไปต่างๆได้เช่น ส, สำคัญว่านิพพานความสิ้นทุกก็ต้องมีอยู่ในจุดแห่งความสงบสุขนี้หามีอยู่ในที่อื่นใดไม่ดังนี้ความจริงจิตที่รวงตัวเข้าเป็นจุดเดียวจนรู้เห็นจุดของจิตได้อย่างชัดเจนและรู้เห็นความสงบสุขประจักใจในสมาธิขั้นอัปปนานี้เป็นการรวมกิเลสภพชาติอยู่ในจิตดวงนั้นด้วยในขณะเดียวกัน ถ้าไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกทำลายก็มีหวังตั้งพบชาติอีกต่อไปโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิขั้นไหนก็ตามปัญญาจึงควรมีแอบแฝงอยู่เสมอตามโอกาสที่ควรเฉพาะอัปนาสมาธิด้วยแล้วควรใช้ปัญญาเดินหน้าอย่างยิ่งถ้าไม่อยากรู้อยากเห็นจิตที่มีเพียงความสงบสุขอยู่อย่างเดียวไม่มีความฉลาดรอบตัวเลยเท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นนับแต่ท่านกลับมาทางภาคอีสานเที่ยวนี้ ท่านชำนาญในปัญญาขั้นกลางมากจริงอยู่เพราะผู้ก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นสามคือพระนาคามีต้องนับว่ามีปัญญาขั้นกลางอย่างพอตัวไม่เช่นนั้นจะพิจารณาภูมิธรรมขั้นนั้นไม่ได้การก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นนี้ต้องผ่านกายขัตาสติทั้งสุภะความเห็นว่ากายเป็นของสวยงามทั้งอสุภะความเห็นว่ากายเป็นของไม่สวยงามไปด้วยปัญญาไม่ได้ติดอยู่โดยจิตแยกสุภะและอสุภะออกด้วยปัญญา แล้วก้าวผ่านไปในถ้ำกลางคือมัชชิมาตรงกลางในแกระหว่างสุภะและอสุภะต่อกันหมดความสงสัยและเยื่อใยในธรรมทั้งสองนั้นอันเป็นเพียงทางเดินผ่านเท่านั้นการพิจารณาถึงขั้นที่ว่านี้จัดว่าเพียงผ่านไปได้ถ้าเทียบการสอบไล่ก็เพียงได้คะแนนตามกฎที่ตั้งไว้เท่านั้นยังม่ได้คะแนนสูงและสูงสุดในชั้นนั้นผู้บรรลุธรรมถึงระดับนี้แล้วจำต้องฝึกซ้อมปัญญาเพื่อความชำนาญละเอียดขึ้นไปจนเต็มภูมิของธรรมชั้นนั้น ที่เรียกว่าอนาคามีเต็มภูมิถ้าตายในขณะนั้นก็ไปเกิดในชั้นอากินิ t ฐาพรหมโลกชั้นที่หทันทีไม่ต้องเกิดในพรหมโลกสี่ชั้นต่ำนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านเคยติดอยู่ในภูมินีนานอาการอยู่เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายใดๆเลยต้องลูบคลำกันอย่างระมัดระวังมากกลัวจะผิดพลาดเพราะทางไม่เคยเดินเท่าที่สังเกตรู้ตลอดมาเวลาสติปัญญาละเอียดทำละเอียด ส่วนกิเลส ท, ที่จะทําให้หลงก้ละเอียดไปทำตามกันจึงเป็นความลําบากอยู่ไม่น้อยในทำแต่ละขั้นกว่าจะผ่านไปได้ท่านเหล่านาอัศจรรย์เหลือประมาณอุตสาหคลำไม้คลำตอและกวากน้าําโดยไม่ได้รับคําแนะจากใครนอกจากทำในคัมภีร์เท่านั้นกว่าจะผ่านพ้นไปได้และมาเมตตาสั่งสอนพวกเราก็อดที่จะระลึกถึงความทุกข์อย่างมหาศาลของท่านมีได้เวลากําลังบุกป่าฝ่าดวงไปองค์เดียว มีโอกาสดี่ดีท่าเล่าถึงการบำเพ็ญของท่านให้ฟังที่น่าสมเพทเวทนาท่านนักหนาผู้เขียนเองเคยน้ำตาร่วงสองครั้งด้วยความเห็นทุก์ไปตามเวลาท่านลำบากมากในการบำเพ็ญและด้วยความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังซึ่งเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งจนเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรานี้จะพอมีวัสนารรประมีแค่ไหนบ้างหนอพอจะถูถ่ายเสือคลานไปกับท่านได้เพียงใดหรือไม่ก็มีในบางขณะตามประษาของพุทธชนอย่างนั้นเอง แต่คำพูดท่านเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวตื่นใจได้ดีมากนี่แลเป็นเครื่องพยุงความเพียรไม่ให้ลดละเพื่ออนาคตของตนตลอดมาถ้าเราว่าพอเร่งความเพียรทางปัญญาเข้ามาทีไรยิ่งทำให้จิตใจจือจางออกจากหมู่คณะมากขึ้นและกลับดูดเดิมทางความเพียรมากเข้าทุกทีทั้งที่สรางเรื่องของตัวมาโดยลำดับว่ากำลังของเรายัางไม่พอแต่ก็จำต้องอยู่รออบรมหมูนะ่คณะพอให้มีหลักฐานทางใจบ้าง ทราบว่าท่านจำภาษาที่จังหวัดนครพนมหลายปีตามแถบหมู่บ้านสามผงอํเาเภอศรีสงครามถ้าจําไม่ผิดก็ราวสามสีป่ปีที่บ้านห้วยทรายซึ่งตั้งอยู่ในเขตอํเาเภอคําชะอีจังหวัดเดียวกันหนึ่งปีแถบหมู่บ้านห้วยทรายบ้านคําชะอีหนองสูงโคกกลางเหล่านี้มีภูเขามากท่านชอบพักอยู่แถบนี้มากที่เขาผักกูดซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านแถบนั้นท่านว่าเทวดาก็ชุมเสือก็ชุมมาก ตอนกลางคืนเสือก็มาเที <you very S 2> well ่ยวรอบๆบริเวณที่ท่านพักอยู่เทวดาก็ชอบมาฟังธรรมท่านบ่อยเช่นกันกลางคืนเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึมอยู่ใกล้ๆกับที่พักท่านบางคืนมันกระหึมพร้อมกันทีละหลายๆตัวเสียงสนั่นวันไว้ไปทั่วทั้งป่าเสียงมันร้องรับกันเหมือนเสียงคนร้องหากันนี่เองทางโน้นก็ร้องทางนี้ก็ร้องกระหึมรับกันเป็นพักๆทีละหลายๆตัวน่ากลัวมากพระเนนบางคืนไม่ได้หลับนอนกันเลย กลัเสือจะมาฉวยไปกินท่านฉลาดหาอุบายพูดปแปลกๆให้พระเนนกลัวเสือเพื่อจะได้พากันขยันทำความเพียรโดยพูดว่าใครขี้เกียจทําความเพียรระวังให้ดีนะเสือในเขาลูกนี้ชอบพระเนนที่ขี้เกียจทำความเพียรนนะักกินก็อร่อยดีใครไม่อยากเป็นอาหารอร่อยของมันต้องขยันใครขยันทําความเพียรเสือกลัวได้ไม่ชอบเอาเป็นอาหารพอพระเนนได้ยินดังนั้นต่างก็พยายามทำความเพียรกัน แม้เสือกำลังกระหึมอยู่รอบๆก็จำต้องฝืนออกไปเดินจงกรมแบบสละตายทั้งที่กลัวๆเพราะเชื่อคำท่านว่าใครขี้เกียจเสือจะมาเอาไปเป็นอาหารอันอร่อยของมันเพราะที่อยู่นั้นไม่ได้เป็นกุดีเหมือนวัดทั่ ว, วไปแต่เป็นร้านเล็กๆพอหมกตัวเวลาหลับนอนเท่านั้นและเตี้ยด้วยเผื่อเสือนึกคิวขึ้นมาและโดดมาเอาไปกินต้องเสียท่าให้มันจริงๆเพราะฉะนั้นพระท่านถึงกลัวและเชื่อคำของท่านอาจารย์ ท่านเล่าให้ฟังก็น่ากลัวด้วยว่าบางคืนเสือโคร่งใหญ่เข้ามาถึงบริเวณที่พระพักอยู่ก็มีแต่ก็ไม่ทำอะไรเป็นเพียงเดินผ่านไปเท่านั้นตามปกติท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเสือไม่กล้ามาทำอะไรได้ท่านว่าเทวดารักษาอยู่ตลอดเวลาคือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศท่านเขาบอกกับท่านว่าเขาพากันอารขามาให้มีอะไรมารบกวนและทาอันตรายได้และขออาราธนาท่านให้พักอยู่ที่นั้นนา น, า น, าน ฉนั้นท่านจึงหาอวยพูดให้พระเนนกลัวและสนใจต่อความเพียรมากขึ้นเสือเหล่านั้นก็รู้สึกจะทราบว่าที่บริเวณท่านพักอยู่เป็นสถานที่เย็นใจพวกสัตว์เสือต่างๆไม่ต้องระวังอันตรายจากนายพรานเพราะตามปกติชาวบ้านทราบว่าท่านไปพักอยู่ที่ใดเขาไม่กล้าไปเที่ยวล่าเนื้อที่นั้นเขาบอกว่ากลัวเป็นบาปและกลัวปืนจะระเบิดทั้งลํากล้องใส่มือเขาตายขณะยิงสัตว์ในที่ใกล้บริเวณนั้น สิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาท่านไปพักอยู่ณสถานที่ใดซึ่งเป็นแหล่งที่เสือชุมชุมที่นั้นแม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวหากัดวัวควายกินเป็นประจำตามหมู่บ้านแถบนั้นแตก่ก็เลิกรากันไปไม่ทราบว่ามันไปเที่ยวหากินกันที่ไหนเรื่องทางนี้ท่านเองก็เคยเล่าให้ฟังและชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ท่านเคยไปพักอยู่ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเสือไม่ไปทําอันตรายสาัตว์เลี้ยงเขาเลยน่าอัศจรรย์มากดังนี้ ยังมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเวลาพวกเทวดามาเยี่ยมฟังเทศท่านหัวหน้าเทวดาเล่าว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจไปทั่วกันเทวดามีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาทำท่านแพ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินไปหมดกระแสเมตตาทำท่านเป็นกระแสที่บอกไม่ถูกและอัศจรรย์มากไม่มีอะไรเหมือนเลยดังนี้แล้วพูดต่อไปว่าฉะนั้นท่านพักอยู่ที่ไหน พวกเทวดาต้องทราบความจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านไปทุกทิศทุกทางแม้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนนและประชาชนกระแสเสียงท่านก็สะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตใครอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นได้ยินนอกจากคนตายแล้วเท่านั้นจะไม่ได้ยินตอนนี้ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆอีกด้วยจะได้เชิญอรัถนาคำพูดระหว่างท่านพระอาจารย์กับพวกเทวดาสนทนากันมาลงอีกเล็กน้อย ส่วนจะจริงหรือเท็ตก็เขียนตามที่ได้ยินได้ฟังมาท่านย้อนถามเขาบ้างว่าก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างทว่าเสียงเทสเสถยืนไปไกลดังที่ว่านั้นหัวหน้าเทพ ร, รีบตอบท่านทันทีนทว่าก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไรและสนใจกับศีลกับธรรมอะไรกันท่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาเขาเอาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับถมตัวตลอดเวลานับแต่วันเขาเกิดมาจนกระทั่งเขาตายไป เขาไม่ได้สนใจกับสินกับธรรมอะไรเท่าที่ควรแก่ภูมิของตอนหรอกท่านมีน้อยเต็มทีผู้ที่สนใจจะนำตาหัวจมูกลิ้นกายใจไปทำประโยชน์คือสินธรรมชีวิตเขาก็น้อยนิดเดียวถ้าเทียบันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้งเทวดาที่อยู่ภาคพื้นแม้เพียงรายหนึ่งก็ยังไม่ตายกันเลยไม่ต้องพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นพรมซึ่งมีอายุยืนนานกันเลยมนุษย์จานวนมากมีความประมาทมาก ที่มีความไม่ประมาณมีน้อยเต็มทีมนุษย์เองเป็นผู้รักษาศาสนาแต่แล้วมนุษย์เสียเองไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเยี่ยมมนุษย์คนใดชั่วก็ยิ่งรู้จักแต่จะทําชั่วทายเดียวเขายังแต่ลมหายใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู่กับโลกเขาพอลมหายใจขาดไปเท่านั้นเขาก็จมไปกับความชั่วของเขาทันทีแล้วเทวดาก็ได้ยินทําไมจะไม่ได้ยินปิดไม่อยู่เวลามนุษย์ตายแล้ว นิมน์พระท่านมาสาธยายธรรมกุศลาธรรมมาให้คนตายฟังเขาจะเอาอะไรมาฟังสําหรับคนชั่วขนาดนั้นพอแต่ตายลงไปกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วเริ่มแต่ขณะสิ้นลมหายใจจะมีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมได้อย่างไรแม้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจอยากฟังเทศฟังธรรมนอกจากคนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นพอฟังได้ถ้าสนใจอยากฟังแต่เขามิได้สนใจฟังหลอกท่าน ท่านไม่สังเกตดูเขาบ้างหรือเวลาพระท่านสาธยายธรรมกุศลธรรมะให้ฟังเขาสนใจฟังเมื่อไราศาสนาไม่ได้ถึงใจมนุษย์ทัติโกนหรอกท่านเพราะเขาไม่สนใจกับาศาสนาสิ่งที่เขารักชอบที่สุดนั้นมันเป็นสิ่งที่ตำสามที่สรรับเดรฉานบางโทก็ยังไม่อยากชอบนั่นแหละเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ไม่ชอบาศาสนาชอบมากกว่าสิ่งอื่นใดและชอบแต่ไหนแต่ไรมาทั้งชอบแบบไม่มีวันเบือ่อไม่รู้จักเบื่อเอาเลย ขณะ จ, จะขาดใจยังชอบอยู่เลยท่านพวกเทวดารู้เรื่องของมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสนใจรู้เรื่องของพวกเทวดาเป็นไหนไหนมีท่านนีแลเป็นพระวิเศษรู้ทั้งเรื่องมนุษย์ทั้งเรื่องเทวดาทั้งเรื่องสัตว์นรกสัตว์กี่ประเภทท่านรู้ได้ดีกว่าเป็นไหนไหนฉะนั้นพวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนลงกราบไหว้ท่านพอหัวหน้าเทวดาพูดจบลงท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเป็นเชิงปรึกษาว่าเทวดาเป็นผู้ มีตาที่ผูทิพย์แลเห็นได้ไกลฟังเสียงได้ไกลรู้เรื่องดีชั่วของชาวมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่องของตัวและรู้เรื่องของพวกมนุษย์ด้วยกันจะไม่พอมีทางเตือนมนุษย์ให้รู้สึกสานึกในความผิดถูกที่ตนทำได้บ้างหรืออัตมาเข้าใจว่าจะได้ผลดีกว่ามนุษย์ด้วยกันตักเตือนสังสรรกั น, น, กนจะพอมีทางได้บ้างไหมพนาเทวดาตอบท่านว่า เทวดายังไม่เคยเห็นมนุษย์มีกี่รายพอจะมีใจเป็นมนุษย์สมภูมเหมือนอย่างพระกุณเจ้าซึ่งให้ความเมตตาแก่ชาวเทพและชาวมนุษย์ตลอดมาเลยพอที่เขาจะรับทราบว่าในโลกนี้มีสัตว์ชนิดต่างๆหลายต่อหลายจําพวกอยู่ด้วยกันทั้งที่เป็นพบหยาบทั้งที่เป็นพบละเอียดซึ่งมนุษย์จะยอมรับว่าเทวดาประเภทต่างๆมีอยู่ในโลกและสัตว์อะไรๆที่มีอยู่ในโลกกี่หมื่นกี่แสนประเภทว่ามีจริงตามที่สัตว์เหล่านั้นมีอยู่เพราะนับแต่เกิดมา มนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตายายแล้วมนุษย์จะมาสนใจอะไรกับเทวดาเล่าทัานนอกจากเห็นอะไรผิดสังเกตบ้างจริงหรือไม่จริงไม่คํานึงพวกมนุษย์มีแต่พากันกล่าวโต้ ว, ว่าผีขันทันเท่านั้นจะมาหวังคําตักเตือนดีชอบอะไรจากเทวดาแม้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ก็ไม่ได้สนใจจะรู้เทวดาเลยแล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอน ม, มนุษย์ด้วยวิธีใด เป็นเรื่องจนใจทีเดียวปล่อยตามกรรมของใครของเราไว้อย่างนั้นเองแม้แต่พวกเทวดาเองก็ยังมีกรรมสเสวะ อ, อยู่ทุกขณะถ้าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานได้เท่านั้นเองท่านจะพากันอยู่ให้ลําบากไปนานอะไรกันท่านพระอาจารย์มั่นถามเขาว่าพวกเทวดาก็รู้นิพพานกันด้วยหรือถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ไปนิพพานกันได้และพวกเทวดาก็มีความทุกข์เช่นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบท่านว่า ทำไมจะไม่รู้ท่านก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสั่งสอนโลกก็ล้วนแต่สอนให้พ้นทุกไปนิพพานกันทั้งนั้นไม่ได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกแต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานเท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบเลยจึงไม่มีใครคิดอยากไปนิพพานกันคําว่านิพพานพวกเทวดาจําได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่และองค์ที่มาสั่งสอนสัตว์โลกแต่เทวดาก็มีคำหนาจึงยังไม่พ้นจากภพของเทวดาให้ได้ไปนิพพานกันจะได้หมดปัญหา ไม่ต้องวกเวียนทวงตนดังที่เป็นอยู่นี้ส่วนความทุกนั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้วไม่ว่าสัตว์จําพวกใดต้องมีทุกไปตามส่วนของกรรมดีชั่วที่มีมากน้อยในตัวสัตว์ท่านถามเทวดาว่าพระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องกันไม่อยู่เยะแยะไหมเขาตอบว่ามีอยู่เหมือนกันท่านแต่ไม่มากนักโดยมากก็เป็นพระซึ่งชอบปฏิบัติบําเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเหมือนพระคุณเจ้านี่แหละท่านถามว่า ส่วนคารวาเต้ามีบ้างไหมเขาตอบว่ามีเหมือนกันแต่มีน้อยมากและต้องเป็นผูกใคร่ทางธรรมปฏิบัติใจผ่องใสถึงรู้ได้เพราะกายพวกเทวดานั้นหยาบสำหรับพวกเทวดาด้วยกันแต่ข้อละเอียดสำหรับมนุษย์จะรู้เห็นได้ทั่วไปนอกจากผู้มีใจผ่องใสจึงจะรู้ใจเห็นได้ไม่ยากนะักท่านถามเขาว่าที่ทำท่านว่าพวกเทวดาไม่อยากมาอยู่ใกล้พวกมนุษย์เพราะเหมืนสาบคาวมนุษย์นั้นเหมืนสาบคาวอย่างไรบ้าง ขณะที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอาตมาไม่เหม็นคาวบ้างหรือทำไมถึงพากันมาหาอาตมาบ่อยนักเขาตอบว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมไม่ใช่มนุษย์ที่ควรรังเกียจยิ่งเป็นที่หอมหวนชวนให้เคารพ บ, บูชาอย่างยิ่งและอยากมาเยี่ยมฟังเทศอยู่เสมอไม่เบื่อเลยมนุษย์ที่เหม็นคาวน่ารังเกียจคือมนุษย์ที่เหม็นคาวศีลธรรมรังเกียจศีลธรรมไม่สนใจในศีลธรรมมนุษย์ประเภทเบื่อศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเลิศในโลกทั้งสามแต่ชอบในสิ่งที่น่ารังเกียจ ของท่านผู้ดีมีศีลธรรมทั้งหลายมนุษย์ประเภทนี้น่ารังเกียจจริงไม่อยากเข้าใกล้และเหม็นค้าวฟุง้งไปไกลด้วยแต่เทวดาไม่ได้ตั้งค้อรังเกียจชาวมนุษย์แต่อย่างใดหากเป็นนิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาดั่งเดิมดั่งนี้เวลาท่านเล่าเรื่องเทวดาพูดผีชนิดต่างๆให้ฟังผู้ฟังเคลิ้มไปจนลืมตัวและลืมไวล่ำเวลาลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อเวลาไปตามๆกันประหนึ่งตนก็ใคร่รู้อย่างนั้นบ้าง และคิดว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นบ้างในวันหนึ่งข้างหน้าแล้วทําให้เกิดความกระยิ่มต่อความเพียรเพื่อผลอย่างนั้นขึ้นมากับตอนท่านเล่าอดีตชาติของท่านและของคนอื่นเป็นบางรายที่เห็นว่าจําเป็นให้ฟังยิ่งทําให้อยากรู้เรื่องอดีตของตนจนลืมความคิดที่อยากพ้นทุกข์ไปนิพพานในบางครั้งพอรู้ตัวเกิดตกใจและทันนิตนว่าอ๋อเรานี่จะเริ่มบ้าไปเสียแล้วแทนที่จะคิดไปในทางหลุดพ้นดังที่ท่านสั่งสอน แต่กลับไปกว่าและงมเงาในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้รู้สึกตัวไปพักหนึ่งพอเผลอตัวก็คิดไปอีกแล้วต้องคอยปราบปรามตัวเองอยู่เรื่อยเวลาท่านเล่าเรื่องพวกเทวดาพูดผีชนิดต่างๆมาเยี่ยมท่านรู้สึกน่าฟังมากเฉพาะพวกพูดผีรู้สึกมีผีอันธพาลเชน่นกันกับมนุษย์เราถ้าพวกใดชอบก่อความไม่สงบมากเขาต้องจับพวกนั้นมาขังรวมกันไว้ในคอกที่มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเอง ขังไว้เป็นพวกพวกเป็นห้องห้องเต็มห้องขังแต่ละห้องมีทั้งผีอันพานหญิงผีอันพานชายและอันพานประเภทโหดร้ายทารุณเต็มพวกทารุณยังมีทั้งหญิงทั้งชายอีกด้วยมองดูหน้าตาพวกนี้บอกอย่างชัดแจ้งว่าแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับพวกผีนี้เขามีบ้านเมืองเหมือนมนุษย์เราเหมือนกันเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีหัวหน้าปกครองดูแลเหมือนกัน ผีที่มีอุปนิสัยฝายบุญกุศลก็มีอยู่แยะพวกผีธรรมดาและผีจำพวกอันธพาลเคารพนับถือมากเพราะผู้มีอุปนิสัยวาสนาเป็นผู้มีฤทธาศรานุภาพมากผีทั้งหลายเคารพเกรงกลัวมากตามหลักธรรมชาติมิใช่การประจบประแจงถ้าเราว่าที่ว่าบาปมีอำนาจน้อยกว่าบุญ น, นั้นท่านไปพบเห็นในเมืองผีเป็นพยานอีกประเด็นหนึ่ง คือผีมีวาสนาแต่มาเสวยกรรมตามวาระเช่นมาเกิดเป็นผู้ผีแต่นิสัยใจคอในทางบุญนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและมีอำนาจมากด้วยเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถปกครองผีได้เป็นจานวนมากมายเพราะเมืองผีไม่มีการถือพวกถือพ้องเหมือนเมืองมนุษย์เราแต่ถืออำนาจตามหลักธรรมแม้จะฝืนถืออย่างมนุษยก็เป็นไปไม่ได้เพราะกรรมไม่แอนวยไปตาม ต้งขึ้นอยู่กับกรรมดีชั่วเท่านั้นเป็นหลักตายตัวอำนาจที่ใช้อยู่ในเมืองมนุษย์จึงนำไปใช้ในประลรโลกไม่ได้ถ้าเราตอนนี้รู้สึกพิศดานมากแต่จําได้เพียงเล็กน้อยขาดๆวินวินจึงขออภัยด้วยเวลาท่านออกเที่ยวโปรสั์ตามสถานที่ที่พวกผีตั้งบ้านเรือนอยู่โดยทางสมาธิภาวนาพอเขามองเห็นท่านเขาก็รีบโฆษณาบอกกันมาทางความเคารพเหมือนมนุษย์เราท่านเดินผ่านไปตามที่ต่างๆในที่ชุมนุมผี และผ่านไปที่คุ้มขังผีอันธพาลหญิงชายโดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้พานําทางด้วยความเคารพเลื่อมใสท่านมากและอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิดต่างๆให้ท่านฟังและอธิบายเรื่องผีที่ถูกคุ้มขังว่าเป็นผู้มีใจโหดร้ายคอยรอบกวนผู้อื่นไม่ให้มีความสงบสุขเท่าที่ควรต้องขังไว้ตามแต่โทษหนักเบาของเขาคาว่าพูดผีนั้นเป็นคําที่มนุษย์เราให้ชื่อเขาต่างหาก ความจริงเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั่วไปาตามภูมิของตนท่านว่าที่ใดมีป่ามีเขามากท่านพระอาจารย์มั่นชอบพักอยู่ที่นั้นนานไปไปมามาอยู่ตามแถบเขานั้นๆเมื่อท่านพักอยู่นครพนมและอบตรมมูลคณะนานพอสมควรแล้วทําให้คิดถึงตัวเองมากขึ้นโดยคํานึงถึงความรู้สึกที่โผล่ขึ้นเสมอว่ากําลังเรายัางไม่พอดังนี้ จะฝืนอยู่กับหมู่คณะไปทํานองนี้ความเพียรก็ล่าช้าท่านว่าเท่าที่สังเกตดูนับแต่กลับมาจากภาคกลางมาอบรมสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทางภาคอีสาน ร, รู้สึกว่าภูมิจิตใจไม่ค่อยก้าวไปรวดเร็วเหมือนอยู่องเดียวจะต้องเร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึงความพึงใจแล้วนั่นแหละถึงจะหมดความกังวลห่วงใ่ตัวเองประกอบระยะนั้นท่านรับโยมมารดามาบวชเป็นอุบาสิกาอบรมอยู่ด้วยประมาณหกปี จะไปมาทางใดไม่ค่อยสะดวกทำให้เป็นอารมณ์หงอยายอยู่เสมอเลยทำให้ท่านตัดสินใจจะเอาโยมมารดาไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีมารดาท่านก็เห็นดีด้วยไม่ขัดอธัธยาศัยจากนั้นท่านก็เริ่มพามารดาออกเดินทางจากนกครพนมโดยเดินตัดตรงไปภูเขาแถบหนองสูงคำชะอีออกไปอาเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลขณะที่ท่านออกเดินทางทราบว่า มีพระเนนติดตามไปด้วยมากมายปีนั้นไปจำพรรษาบ้านหนองขอนอเภออำนาจเจริญอุบลมีพระเนนจำพรรษากับท่านมากขณะที่จำพรรษาอยู่นี้ก็ให้การอบรมพระเนรอุบาสกอุบาสิกาอย่างเต็มกาลังมีผู้คนพระเนนเกิดความเชื่อลลมใสและมาอยู่อบรมกับท่านมากขึ้นเป็นลาดับคืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ภาวนาพอจิตสงบรวมลงไป ปรากฏเห็นพระเนนจํานวนมากที่ค่อยๆเดินตามหลังท่านมาด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามน่าเลื่อมเสื่ยก็มีที่เดินแซงหน้าท่านไปข้างหน้าด้วยอาการลุกลี้ลุกลนไม่มีความเคารพและสํารวมอินทรีย์เลยก็มีที่กําลังถือโอกาสเดินแซงหน้าท่านไปด้วยท่าทางที่ไม่มีระเบียบทําวินัยติดตัวเลยก็มีพวกที่กําลังเอาไม้มีลักษณะเหมือนไม้ผ่าครึ่งเหมือนหีบ ป, ปิ้งปลา มาที่ผู้องค์ท่านอย่างแน่นแทบหายใจไม่ได้ก็มีเมื่อเห็นความแตกต่างแห่งพระทั้งหลายที่แสดงอาการไม่มีความเคารพและทำความโหดร้ายทรมานท่านด้วยวิธีการต่างๆกันเช่นนี้ท่านก็กําหนดจิต ด, ดูเหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะหน้าให้ละเอียดก็ทราบขึ้นมาทันทีว่าจําพวกที่ค่อยๆเดินตามหลังท่านด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามเป็นที่น่าลื่อมใสนั้นคือจําพวกที่จะประพฤติปฏิบัติชอบตามโอวาทคําสั่งสอนของท่าน จะเป็นผู้เคารพเทิดทูนท่านและพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตจะสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาตลอดหมู่ชนทั่วไปได้และสามารถจะยังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางศาสนาให้คงที่ดีงามต่อไปเป็นที่น่าเคารเพเกลื่อมใสแท้งมนุษย์และเทวดาอีกพรหมยมยักษ์ทั่วนากันซึ่งนับว่าเป็นผู้ทรงตนและพระศาสนาไว้ได้ตามแบบอริยประเพณีไม่เสื่อมสูญ จำพวกที่เดินแสงหน้าท่านไปด้วยท่าทางไม่ระวังสำรวมนั้นคือจำพวกอวดรู้อวดฉลาดเข้าใจว่าตนเรียนมากรู้มากปฏิบัติดียิ่งกว่าครูอาจารย์ผู้พาปฏิบัติดำเนินด้วยสามีจีคำมาก่อนไม่สนใจครบเอื้อเฟือต่อการศึกษาไต่ถามข้ออัดข้อทำใดๆเพราะความสำคัญตนว่าฉลาดรอบรู้ทุกอย่างแล้วปฏิบัติตนไปด้วยความสำคัญนั้ น, น, นอันเป็นทางร่มโมแก่ตนและพระศาสนา ตลอดประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องศึกษาต่างจะนำยาพิษเพราะความเห็นผิดจากอาจารย์องค์นั้นไปใช้แล้วกลายเป็นผู้ทำลายตนและหมู่ชนตลอดกุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้เสียหายไปตามโดยไม่รู้สึกระลึกได้ว่าเป็นทางถูกต้องดีงามหรือไม่ประการใดจำพวกที่กำลังคอยหาโอกาสเดินแสงหน้าท่านไปในลำดับต่อมานั้นคือจำพวกที่กำลังเริ่มก่อตั้งความเสื่อมเสียแก่ตนและวงะาศาสนาต่อไป ด้วยความสําคัญผิดชนิดต่า ง, างๆทำนองจำพวกก่อนซึ่งเป็นจาพวกที่จะช่วยกันทําลายตนและพระศาสนาอันเป็นส่วนรวมดวงใจของประชาชนชาวพุทธให้จิบหายร่ำโฉมลงไปโดยไม่ได้สนใจว่าผิดหรือถูกประการใดจําพวกที่เอาไม้มาขีปโภอกท่านนั้นคือจําพวกที่เข้าใจว่าตนฉลาดรอบรู้และปฏิบัติไปด้วยความสําคัญนั้นนั้นโดยไม่ได้คํานึงว่าผิดหรือถูกทั้งที่ความจริงในการปฏิบัตินั้นเป็นทางผิด และยังมีส่วนกระทบกระเทินวงพระศาสนาและครูอาจารย์ที่พาดําเนินมาก่อนให้มีส่วนบอกช้ําเสียหายไปด้วยส่วนจํำพวกหลังนี้ท่านเล่าว่าท่านรู้ตัวและนามของพระนั้ น, น, นด้วยที่มาทําให้ท่านลําบากในเวลาต่อมาคือพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ก่อนเป็นแต่ออกไปจํารษาอยู่ไม่ห่างคันนคซึ่งท่านเองเป็นผู้เห็นชอบและอนุญาตให้ออกไปเมื่อกําหนดดูเหตุการณ์ทราบละเอียดแล้ว ท่านกอมารำพึงถึงพระจำพวกที่มาทําความทรมานให้ท่านลําบากว่าเป็นพระที่มีความเคารพเพื่อมใสและนับถือท่านมากไม่น่าจะทําอย่างนั้นได้หลังจากนั้นท่านก็คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นตลอดมาโดยไม่ได้แสดงเรื่องที่ปรากฏในคืนวันนั้นให้ใครทราบเลยต่อมาไม่กี่วันก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดกับข้าราชการหลายท่านและพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านและเป็นองค์ที่เป็นหัวหน้า พาการเอาไม้มาขีปโ อ, อกท่านมาเยี่ยมท่านที่สำนักทั้งสองฝ่ายมาแสดงความประสงค์ขอให้ท่านช่วยอนุเคราะห์ประกาศเรียรยเงินจากชาวบ้านในตำบลอำเภอนั้นเพื่อสร้างโรงเรียนขึ้นสองสำแห่งอันเป็นการช่วยทางราชการอีกทางหนึ่งด้วยโดยความเห็นของทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันมาก่อนแล้วว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นที่เคารพเลื่อมสายของประชาชนมากท่านพูดอะไรขึ้นมาต้องสำเร็จแน่นอน จึงได้พากันมาหาท่านให้อนุเคราะห์ช่วยเหลือพอทราบความประสงค์ของผู้มาติดต่อแล้วท่านก็ทราบทันทีว่าพระทั้งสองรูปนี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ท่านลำบากซึ่งเทียบกับเอาไม้มาขีดผู้อกท่านโอกาสต่อไปท่านได้เรียกพระทั้งสองรูปนั้นมาอบรมสั่งสอนเพื่อให้รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรแก่เพศสมณนะปฏิบัติผู้ตั้งอยู่ในความสงบและสารวมระวัง ที่เรียนทั้งนี้ก็เพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบว่าจิตเป็นธรรมชาติลึกลับและสามารถรู้ได้ทั้งสิ่งเปิดเผยและลึกลับทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดังเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างมาหลายเรื่องท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเพื่อความเที่ยงตรงต่ออัตธรรมไม่ได้มีความคิดที่เป็นโลกามิษณแอแฝงอยู่ด้วยเลยคําพูดที่ออกจากความรู้ความเห็นท่านแต่ละคําจึงเป็นคําที่ควรสุดุจใจว่ามิใช่เป็นคําโกหกหลอกลวงท่านผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งที่อยู่ใกล้ชิดและทั่วๆไปให้งมงายเสียหายไปด้วยแต่อย่างใดเพราะคําพูดท่านที่นํามาลงนี้เป็นคําพูดที่พูดในวงจำเพาะพระที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้พูดทั่วไปโดยไม่มีขอบเขตแต่ผู้เขียนอาจเป็นนิสัยไม่ดีอยู่บ้างที่ตัดสินใจนําเอาเรื่องท่านออกมาความคิดก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านและพิจารณาดูบ้างซึ่งอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควร เรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเรื่องอัศจรรย์และพิศดารอยู่มากในพระปฏิบัติสมัยปัจจุบันทั้งภาคปฏิบัติและความรู้ที่ท่านแสดงออกแต่ละประโยค ก, การสั่งสอนบางประโยคก็บอกตรงๆบางประโยคก็บอกเป็นอุบายไม่บอกตรงทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรการทํานายทายทักทาง จ, จิตใจนับแต่เรื่องขรัวตาที่ชายเขาถ้าสาริกาเป็นต้นเหตุมาแล้วท่านระวังมากทั้งที่อยากเมตตาสงเคราะห์ บอกตามความคิดของผู้มาอบรมนั้นๆแสดงออกในทางผิดถูกต่างๆอย่างบริสุทธิ์ใจในฐานะเป็นอาจารย์สอนคนแต่เวลาบอกไปตามตรงว่าท่านผู้นั้นคิดอย่างนั้นผิดท่านผู้นี้คิดอย่างนี้ถูกต้องแทนที่จะได้รับประโยชน์ตามเจตนาอนุเคราะห์แต่ผู้รับฟังกลับคิดไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นความเสียหายแก่ตนแทบทั้งนั้นไม่ค่อยมาสนใจตามเหตุผลและเจตนาสงเคราะห์เลย บางรายพอเห็นคิดไม่ดีและเริ่มจะเป็นชนวนแห่งความเสียหายส่วนใหญ่ท่านก็ตักเตือนบ้างโดยอุบายไม่บอกตรงเกรงว่าผู้ถูกเตือนจะกลัวและอายหมู่เพื่อนเพียงเตือนให้รู้สึกตัวมิได้ระบุนามแม้เช่นนั้นยังเกิดความรุ่มร้อนแทบจะเป็นบ้าไปหลังไปต่อหน้าต่อตาท่านและหมู่คณะก็ยังมีเรื่องทั้งนี้จึงเท่ากับเตือนให้รู้เท่าทันถึงอุบายวิธีสั่งสอนไปนในตัวทุกระยะที่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องบังคับอยู่ ต้องขออภัยหากเป็นความไม่สบายใจในบางตอนที่เขียนตามความจริงที่บันทึกและจดจำมาจากท่านเองและจากครูอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาเป็นคราวๆหลายท่านด้วยกันจึงมีหลายเรื่องและหลายรสด้วยกันโดยมากสิ่งที่เป็นภัยต่อนักบวชนักปฏิบัติและนักบวชนักปฏิบัติชอบคิดโดยไม่มีเจตนาแต่เป็นนิสัยที่ฝังประจาสันดานมาดั้งเดิมก็คืออายจตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ธรรมารมของเพศที่เป็นวิสภาคกันนั่นแลคือการเทศกันเอกที่ท่านจำต้องเทศและเตือนทั้งทางตรงทางอ้อมอยู่เสมอไม่ได้รามือพอให้สบายใจได้บ้างการนึกคิดอย่างอื่นๆก็มีแต่ถ้าไม่สำคัญนะักท่านก็ทำเป็นไม่สนใจที่สำคัญอย่างยิ่งก็เวลาประชุมฟังธรรมซึ่งท่านต้องการความสงบทั้งทางกายและทางใจไม่ต้องการอะไรมารบกวนทั้งผู้ฟังและผู้ให้โอวาด จุดประสงค์ก็เพื่อได้รับประโยชน์จากการฟังจริงๆใครเกิดไปขนองคิดเรื่องแสลงเพศแสลงธรรมขึ้นมาในขณะนั้นฟ้ามักจะผ่าเปลี้ยงเปลี้ยงลงในท่มามกลางความคิดที่กําลังคิดเพลินและท่ามกลางที่ประชุมทําเอาผู้กําลังกล้าหารคิดแบบไม่รู้จักตายตัวสั่นแทบสลบไปในขณะนั้นทั้งที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลแต่ระบุเรื่องที่คิดซึ่งเป็นเรื่องระตุกใจของผู้กําลังคิดเรื่องนั้นอย่างสําคัญ แม้ผู้อื่นในที่ประชุมก็พลอยตกใจและบางรายตัวสั่นไปด้วยเผื่อคิดเช่นนั้นขึ้นมาบ้างขณะเผลอถ้าถูกฟ้าผ่าอยู่เรื่อยๆขณะฟังเทศปรากฏว่าจิตใจผู้ฟังหมอบและมีสติระวังตัวอย่างขี้งวดกวดขันบางรายจิตรวมสงบลงอย่างเต็มที่ก็มีในขณะนั้นผู้มรวมในขนาดนั้นก็อยู่ในเกณฑ์สงบและระวังตัวเพราะกลัวฟ้าจะลงเปรี้ยงหรือเหี่ยวจะลงโฉบอัซิษะขณะใดก็ไม่รู้ ถ้าเผลอคิดไม่เข้าเรื่องในขณะนั้นฉะนั้นผู้ที่อยู่กับท่านจึงมีหลักใจเป็นที่มันคงไปโดยลําดับอยู่กับท่านไปนานเท่าไรก็ยิ่งทําให้นิสัยทั้งภายในภายนอกกลมกลืนกับนิสัยท่านไปไม่มีสิ้นสุดผู้ดใดอดทนอยู่กับท่านได้นานๆด้วยความใฝ่ใจยอมเป็นภาคีรีวให้ท่านดูดาสั่งสอนคอยยึดเอาเหตุเอาผลจากอุบายต่างๆที่ท่านแสดงในเวลาปกติหรือเวลาแสดงธรรมไม่ลดละความสังเกต ได้พยายามปฏิบัติตนให้เป็นไปตามท่านทุกวันเวลานิสัยความใครียดทำและหนักแน่นในข้อปฏิบัติทุกด้านนี่แลจะทำให้เป็นผู้มั่นคงทางภายในขึ้นวันละเล็กละน้อยจนสามารถทรงตัวได้ที่ไม่ค่อยได้หลักเกณฑ์จากการอยู่กับท่านโดยมากมักจะเพ่งเล็งภายนอกยิ่งกว่าภายในเช่นกลัวท่านดูด่าบ้างเวลาคิดไปต่างๆตามเรื่องความโง่ของตนพอถูกท่านวาให้บ้าง เลยกลัวโดยไม่ได้คิดจะแก้ตัวสมเข้าไปศึกษาอบรมกับท่านเพื่อหาความดีใส่ตัวไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยไปอยู่กับท่านก็ไปแบบเราอยู่แบบเราฟังแบบเราคิดไปร้อยแปดแบบเราที่เป็นทางดั้งเดิมอะไรอไรก็เป็นแบบเราซึ่งกิเลสหนาอยู่แล้วไม่มีแบบท่านคาว่ า, าแทรกบ้างเลยเวลาจากท่านไปก็จำต้องไปแบบเราที่เคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้น ชื่อว่าความดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอให้เป็นที่น่าชมเชยแต่ความชั่วที่ทับถมจนมองไม่เห็นตัวนั้นยิ่งสังสมขึ้นทุกวันเวลาไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอผลจึงเป็นคนอาภัพอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดมาฉุดลากพอให้กลับฟื้นตัวได้บ้างเลยถ้าไปอยู่กับท่านแบบที่ว่านี้จะอยู่นานเท่าไรก็ไม่ผิดอะไรกับทับพพีอยู่กับแกงที่มีรสอร่อยแต่ทัพพีจะไม่รู้เรื่องอะไรกับแกง นอกจากให้เขาจับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ไม่ได้หยุดหย่อนเท่านั้นกิเลสตัณหาเครื่องพ่อกพูนความชั่วไม่มีประมาณจับประโยชน์ลงกองทุกหม้อนั้นหม้อนี้ก็ทำหนองเดียวกันผู้เขียนก็นับเข้าในจำนวนถูกจับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ด้วยโดยไม่ต้องสงสัยเพราะชอบขยันมันเพียนแต่สิ่งหนึ่งนั่นคอยกระซิบให้ขี้เกียจชอบไปแบบท่านอยู่แบบท่านฟังแบบท่านคิดแบบท่านอย่างเป็นอัตเป็นธรรม แต่สิ่งหนึ่งก็คอยกระซิบให้ไปแบบเราอยู่แบบเราฟังแบบเราคิดแบบเราอะไรๆก็กระซิบให้เป็นแบบเราที่เคยเป็นมาทั้งเดิมและกระซิบไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นสุดท้ายก็เชื่อมันจนเคลิ้มหลับสนิทและยอมทําตามแบบดั้งเดิมเราจึงเป็นคนดั้งเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นพอให้ตัวเองและผู้อื่นได้ชมเชยบ้างคําว่าดั้งเดิมจึงเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราและใครๆ จนมีรากฝังลึกอยู่ภายในยากที่จะถอดถอนออกได้ถ้านไปสังเกตสอรู้ความเป็นมาและเป็นไปของตนอย่างเอาใจใส่จริงๆพอตกหน้าแลง้งท่านพระอาจารย์มั่นก็เริ่มพาโยมานดาท่านออกเดินทางพาพักบ้านละคืนสองคืนไปเรื่อยจนถึงบ้านและพักอยู่ที่บ้านท่านนานพอควรให้การอบรมมานดาและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกันแล้วก็ลาโยมานดาและญาติออกเดินทางทุดงไปเรื่อยๆ โดยมุ่งหน้าลงไปทางภาคกลางไปแบดทุดงรามฐานไม่ร็วีกไม่ด่วนเจอหมู่บ้านหรือสถานที่มีน้ำท่าสมบูรณ์ก็ ก, ากลางกรดตรงที่นั้นแล้วพักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างเย็นใจพอมีกําลังกายกําลังใจแล้วก็เดินทางต่อไปสมัยโน้นเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นรถราไม่มีเหมือนสมัยนี้ท่านว่าท่านไม่ได้เร่งรีบกับเวลาเวลาจุดยาอยู่ที่การภาวนาเท่านั้น เดินทางทั้งวันก็เท่ากับเดินจงกรมภาวนาไปทั้งวันขณะท่านจากโอคณะเดินทาง ล, ลงมากรุงเทพเพียงองค์เดียวนั้นเหมือนช้างสารตัวใหญ่ออกจากโลงเที่ยวหากินในป่าลำพังตัวเดียวเป็นความเบากายเบาใจเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากหูอกที่เคยหนักหน่หนวงทวงกายทวงใจมานานกายก็เบาใจก็เบาขณะเดินทางด้วยวิธีจงกรมภาวนาไปแถบทุ่งกว้างที่มีศัพท์กันเป็นตอ น, ตอน แต่ภายในใจไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเพราะแดดแผดเผาเลยบรรยากาศคล้ายกับเป็นเครื่องส่งเสริมการเดินทางให้มีความสะดวกสบายไปเป็นลำดับบนบ่าที่เต็มไปด้วยบริขารของพระธุดงมีบาทกรดเป็นต้นซึ่งรวมหลายชิ้นด้วยกันตามปกติก็พอทำความลำบากให้พอดูแต่ในความรู้สึกกลับไม่หนักหนาอะไรเลยกายกับใจที่ถอดถอนความกังวลจากหมกู่คณะออกหมดแล้ว จึงเป็นเหมือนเจ้าเหาะลอยขึ้นบนอากาศในขณะนั้นเพราะหมดอาลัยหายห่วงโดยประการทั้งปวงโยมมาดาก็ได้อบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิจนมีหลักฐานทางจิตใจยอย่างมั่นคงหมดห่วงแล้วมีความรับผิดชอบเฉพาะตัวคนเดียวนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่เป็นคำรำพึงบริกรรมภาวนาไปตามทางซึ่งท่านใช้เป็นบทธรรมเตือนสติตัวเองมิให้ประมาท เดินทางโดยวิธีจงกรมภาวนาไปตามสายทางที่ปราศจากผู้คนสัญจรไปมาขณะเดินทางตอนกลางวันแดดกําลังร้อนจักมองดูมีต้นไม้ใบหนาตามชายป่าก็เห็นว่าเหมาะก็แวะเข้าไปอาศัยพักพอหายเหนื่อยนั่งภาวนาสงบอารมณ์ใต้ร่มไม้ให้ใจยเย็นสบายตกใบใบาอากาศร้อนค่อยลดลงบ้างก็เริ่มออกเดินทางต่อไปด้วยท่าทางของผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร มีสติสัมปชัญญะประคองใจไปถึงหมู่บ้านไม่กี่รังคาเรือนพอได้อาศัยเขาโคโจรบินถบาทก็พอแล้วไม่ต้องการความเหลือเฟืออะไรมากไปกว่านั้นตามองหาที่พักอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอประมาณและแวะพักไปเป็นทอดแลแต่ทำเลเหมาะสมจะพักพรวนาสะดวกเพียงไรบางแห่งก็เป็นความสะดวกเกี่ยวกับเพ็ินก็พักอยู่เป็นเวลานา น, านแล้วเดินทางต่อไปท่านเล่าว่า ตอนเดินทางไปถึงดงพญาเย็นระหว่างสระบุรีกับคนครราชสีมาต่อกันมีป่าเขาลำนาวไพร่มากทําให้เกิดความชื้นบานหันษาคิดอยากพักอยู่ที่นั้นนานๆเพื่อบําเพ็ญเพียรเสริมกําลังใจที่กระหายต่อการอยู่คนเดียวในป่าในเขามานานเมื่อมาเจอทําเลเหมาะเหมาะเข้าก็อยากพักภาวนาอยู่ที่นั้นเป็นเวลานานแล้วค่อยผ่านไปเรื่อยพักไปเรื่อยท่านว่าท่านก็เพลิดเพลินไปกับสัตว์ชนีดต่างๆเหมือนกัน เพราะป่าเขาแถบนั้นมีสัตว์นานาชนิดชุกชุมมากมีอีเก้งหมูกวางลิงข้างบางชนีเสือช้างอีเห็นไก่ป่าไก่ฟ้ามีเม่นกระจนกระแตเป็นสัตว์เล็กๆที่เที่ยวหากินเป็นประจำเสียสัตว์นอกนั้นยังพากันมาเที่ยวหากินในเวลากลางวันท่านเคยเจอเขาบ่อยซึ่งเขาก็ไม่แสดงอาการกลัวท น, นักป่าแถบนี้แต่ก่อนไม่มีบ้านผู้บ้านคน ถึงมีก็อยู่ห่างๆกันและมีเพียงสามสี่หลังคาเรือนตั้งอยู่เป็นยมยมซึ่งอาศัยทําไร่ข้าวและปลูกสิ่งต่างๆเป็นอาชีพตั้งอยู่ตามชายขาระหว่างที่ผ่านไปท่านอาศัยชาวบ้านเหล่านั้นเป็นโคจรบินทบาทไปเป็นระยะๆหมู่บ้านที่อยู่แถบนั้นเขามีศรัทธาในพระเทวดาดีมากพวกนี้อาศัยสัตว์ป่าเป็นอาหารเพราะสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีมากเวลาพักอยู่กับเขาได้รับความสะดวกแก่การบําเพ็ญมาก เขาไม่มารบกวนให้เสียเวลาเลยต่างคนต่างอยู่และต่างทําหน้าที่ของตนปรากฏว่าการเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นทั้งทางกายและทางใจจนถึงกรุงเทพด้วยความสวัสดีท่านเข้าพักวัดปทุมวันท่านว่าการขึ้นลงระหว่างกรุงเทพกับภาคอีสานท่านขึ้นลงเสมอบางเที่ยวขึ้นรถไฟไปลงเอาที่สุดรถไฟไปถึงเพราะแต่ก่อนรถไฟ ย, ยังไม่ทันถึงที่สุดทาง บางเที่ยวก็เดินทุดงไปมาเรื่อยๆก็มีเวลาท่านพักและชรมษาที่วัดปฐุมวันได้ไปศึกษาอธรรมกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีวัดบรมหลงนิวาเสมอออกภาษาแล้วหน้าแรงท่านเจ้าคุณอุบาลีจะไปเชียงใหม่ท่านนิมนต์ท่านอาจารย์ไปเชียงใหม่ด้วยท่านเลยไปเที่ยวทางเชียงใหม่กับท่านเจ้าคุณอุบาลีขณะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ท่านเล่าว่าท่านเข้าสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเกือบตลอดทาง มีพักนอนบ้างก็เวลารถไฟออกจากกรุงเทพไปถึงลบบุรีพอถึงอุตรดิ์รถจะเริ่มเข้าเขาท่านก็เริ่มเข้าสมาธิภาวนาแต่บัดนั้นเป็นต้นไปจนจะถึงสถานีเชียงใหม่ถึงได้ถอนจิตออกจากสมาธิเพราะขณะจะเริ่มทำสมาธิภาวนาท่านตั้งจิตไว้ว่าจะให้จิตถอนจากสมาธติต่อเมื่อรถไฟจนเข้าถึงตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ภาวนาต่อไปโดยมิได้สนใจกับอะไรอีกกับอะไรอีก ขณะนั่งทำสมาธิไม่นานประมาณยี่สิบนาทีจิตก็รวมลงสู่ความสงบถึงฐานของสมาธิอย่างเต็มที่จากขณะนั้นแล้วก็ไม่ทราบว่ารถไฟวิ่งหรือไม่มีแต่จิตที่แน่วลงสู่ความสงบระ ง, งับตัวจากสิ่งภายนอกทั้งมวลไม่มีอะไรปรากฏแม้ที่สุดกายก็ได้หายไปในความรู้สึกเป็นจิตที่ดับสนิทจากการรับรู้และรบกวนจากสิ่งต่างๆเป็นเหมือนโลกธาตุไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ตัวหนึ่งได้ดับไปพร้อมกับความคิดปรุงและความสําคัญรับรู้ต่างๆของขันโดยสิ้นเชิงขณะนั้นเป็นความรู้สึกว่ากายหายไปรถไฟและเสียงรถหายไปผู้คนโดยสารในรถไฟหายไปตลอดสิ่งต่างๆที่เคยเกี่ยวข้อง ก, กันกับจิตได้หายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานั้นก็น่าจะเป็นสมาธิสมาบัติอย่างเดียวเท่านั้นเพราะในขณะนั้นไม่ได้สําคัญตนว่าอยู่ในที่เช่นไร จิต ท, ทรงตัวอยู่ในลักษณะนี้ตลอดมาแต่20นาทีแรกเริ่มสมาธิจนถึงชานเมืองเชียงใหม่จึงได้ถอนตัวออกมาเป็นปกติกจิตลืมตาขึ้นมองดูสภาพทั่วไปก็พอดีเห็นตึกรามบ้านช่องขาวดาดาดไปทุกที่ทุกทางจากนั้นก็เริ่มออกจากที่และเตรียมจะเก็บสิ่งของบริขารมองดูผู้คนในรถรอบๆข้างต่างพากันมองมาในตาจับจ้องมองดูท่านอย่างพิสวงสงสัยไปตามๆกัน รู้สึกจะเป็นที่ประหลาดใจของคนในรถไฟทั้งขบวนน่าตั้งแต่เจ้าหน้าที่รถไฟลงมาไม่น้อยเลยมาทราบในเะชดเจนเอาตอนท่านจะขนสิ่งของบริการลงจากรถขณะที่รถจะถึงที่เจ้าหน้าที่รถไฟต่างมาช่วยขนสิ่งของลงรถช่วยท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยทั้งคนโดยสารและเจ้าหน้าที่รถไฟต่างยืนมองท่านจนวาระสุดท้ายอย่างไม่ กระพริบตาไป ต, ตามๆกันแม้ก่อนจะลงจากรถก็มีเจ้าหน้าที่รถไฟและคนโดยสารมาถามท่านว่าท่านอยู่วัดไหนและท่านจะเดินทางไปไหนต่อไปท่านก็ได้ตอบว่าท่านเป็นพระอยู่ตามป่าไม่ค่อยมีหลักฐานวัดวาแน่นอนนักและตั้งใจจะมาเที่ยววิเวกตามเขาแถบนี้เจ้าหน้าที่รถไฟและผู้โดยสารบางคนก็ถามท่านด้วยความเอือ้อเฟื้อเลื่อมใสว่าขณะ น, นี้ท่านจะไปภากวัดไหน และมีผู้มารับหรือตามส่งหรือยังท่านแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่รถไฟและเรียนว่ามีผู้มารับเรียบร้อยแล้วเพระท่านไปกับท่านเจ้าคุณอุบาลีซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวเมืองเป็นอย่างยิ่งน่าแต่เจ้าผู้ครองนครงลงมาถึงพ่อค้าประชาชนขณะนั้นปรากฏว่ามีผู้คนพระเนนไปรอรับท่านจ้คุณอุบาลีอยู่คับข้างแม้รถจนซึ่งเป็นของหายากในสมัยนั้นแต่ก็ปรากฏว่า มีรถไปรอรับอยู่หลายคันทั้งรถข้าราชการและพ่อค้าประชาชนรับท่านเจ้าคุณจากสถานีมาวัดเจดีหลวงเมื่อประชาชนทราบว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีมาพักที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ต่างก็มากราบนมัสการเยี่ยมและฟังโอวาทท่านในโอกาสที่ประชาชนมามากนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีได้อาราธนาท่านพระจันมั่นเป็นองค์แสดงธรรมให้ประชาชนฟังปรากฏว่า ท่านแสดงธรรมไพเราะเพราะพริงจับใจท่านผู้ฟังมากมายไม่อยากให้จบลงง่ายๆเทศกันนั้นทราบว่าท่านเริ่มแสดงมาแต่ต้นอนุปุพภิกถาขึ้นไปเป็นลำดับจนจบลงในถ้มกลางแห่งความเสียดายของพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังเพลินพอเทศจบลงท่านลงมากราบพระเถระแล้วหลีกออกไปหาที่พักผ่อนตามอธัธยาศัยขณะนั้นท่านจะคุณบาลีกล่าวชมเชยธรรมเทศนาของท่านในถ้ำกลางบริษัทว่า ท่านมั่นแสดงธรรมไพเราะมากาผู้เสมอเหมือนได้ยากและแสดงธรรมเป็นมุตโตไทคือแดนแห่งความบุญพ้นที่ผู้ฟังไม่มีที่นาเครือบแคลงสงสัยนับว่าท่านแสดงได้อย่างละเอียดละออดีมากแม้แต่เราเองก็ไม่อาจแสดงได้ในลักษณะปแปลกๆ แ, และชวนให้ฟังเพลินไปอย่างท่านเลยจํานวนวโวหารของพระธุดงกุมารานี่แปลกมากฟังแล้วทําให้ได้ข้อคิดและเพลินไปตามไม่มีเวลาอิ่มพอและเบื่อง่ายเลย ท่านเทศในสิ่งที่เราเหยียบย่าไปมาอยู่นี่และคือสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินอยู่เป็นประจำแต่ไม่ได้สนใจคิดและนํามาทําประโยชน์เวลาท่านเทศผ่านไปแล้วถึงระลึกได้ท่านมั่นท่านเป็นพระทุดงกรรมาฐานองค์สําคัญที่ใช้สติปัญญาตามทางมรติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จริงๆไม่นํามาเหยียบย่าทําลายให้กลายเป็นโลกโลเลวไปเสียดังที่เห็นเห็นกันท่านเทศมีบทหนักบทเบา และเน้นหนักลงเป็นตอนๆพร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับซับซ้อนแห่งเนื้อธรรมที่ลึกลับซึ่งพวกเราไม่อาจแสดงออกมาได้อย่างเปิดเผยและสามารถแยกแยะธรรมนั้ น, น, นออกมาชี้แจงให้เราฟังได้อย่างถึงใจโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนับว่าท่านฉลาดแหลมคมมากในเชิงเทศสาวิธีซึ่งหาตัวจับได้ยากอัตมาแม้เป็น อ, อาจารย์ท่านแต่ก็ยกให้ท่านสำหรับอุบายต่างๆที่เราไม่สามารถซึ่งมีอยู่เยอะแยะ เฉพาะท่านมั่นท่านสามารถจริงอัตมาเองยังเคยถามปัญหาขัดข้องใจที่ตนไม่สามารถแก้ได้โดยลําพังกับท่านแต่ท่านยังสามารถแก้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยปัญญาเราพลอยได้คติจากท่านไม่มีประมาณอัตมาจะมาเชียงใหม่จึงได้นิมนต์ท่านมาด้วยซึ่งท่านก็เต็มใจมาไม่ขัดข้องส่วนใหญ่ท่านอาจเห็นว่าที่เชียงใหม่เรามีป่ามีภูเขามากสะดวกแก่การสแสวงหาที่วิเวกถึงได้ถูกองใจมากับอัตมาก็เป็นได้ เป็นแต่ท่านไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองพระอย่างท่านมันเป็นพระที่หาได้ยากมากอัตมาแม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่าท่านแต่ก็เคารพเปลือมสธรรมของท่านอยู่ภายในท่านเองก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัตมามากจนละอายท่า น, นบางคราวท่านพักอยู่ที่นี่พอสมควรก็ออกสแสวงหาที่วิเวกต่อไปอัตมาก็จาต้องปล่อยตามอัธยาศัยท่านไม่กล้าขัดใจ เพราะพระจะหาแบบท่านมั่นนี้รู้สึกจะหาได้ยากอย่างยิ่งเพื่อท่านมีเจตนามุ่งจะทําทอย่างยิ่งเราก็ควรอนโมทนาเพื่อท่านจะได้บาเพ็ญประโยชน์แก่ตนและประชาชนพระเนนในอนาคตอันใกล้นี้ท่านผู้ใดมีข้อคองใจเกี่ยวกับการอบรมภาวนาก็เชิญไปศึกษาแต่สามท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่กรุณาอย่าไปขอตะกรุดวิชาคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันชาตีวางแคล้วคลาดปลอดภัยต่างๆที่ผิดทาง จะเป็นการไปรบกวนท่านให้ลำบากโดยมิใช่ทางบางทีท่านอาศัยปัญหาเจ็บแสบเอาบ้างจะว่าอาตมาไม่บอกเพราะท่านมันไม่ใช่พระประเภทนั้นท่านเป็นพระจริงๆและสั่งสอนคนให้เห็นผิดเห็นถูกเห็นชั่วเห็นดีและเห็นบาปเห็นบุญจริงๆไม่ได้สั่งสอนออกนอกลูก่นอกทางไปจากรครองธรรมท่านเป็นพระปฏิบัติจริงและรู้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆเท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้ว รู้สึกได้ข้อคิดอย่างน่าอาศัศจรรย์ซึ่งใครๆไม่อาจพูดได้อย่างท่านเลยเท่าที่ผ่านมาในสมัยปัจจุบันอาตมาเคารพเลื่อมใสท่านมากภายในใจโดยที่ท่านไม่ทราบว่าอาตมาเคารพท่านถ้าท่านไม่ทราบด้วยยานเองเพราะไม่ได้พูดให้ท่านฟังท่านเป็นพระที่น่าเคารพ บ, บูชาจริงๆและอยู่ในค่ายแห่งปุญกเขตต่างโลกาสะขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยแต่ท่านเองไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นพระที่ตั้งอยู่ใน รทำขั้นนั้ น, น, นหากพอรู้ได้ในเวลาสนทนาการโดยเฉพาะไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาตมาเองเชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมขั้นสามอย่างเต็มภูมิทั้งนี้ทราบจากการแสดงออกแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นแม้ท่านจะไม่บอกภูมิที่บรรลุว่าภูมินั้ น, น, นแน่นอนไม่ผิดกับปริยัติที่แสดงไว้ท่านเป็นพระที่มีความเคารพและจงรักภักดีต่ออาตมามากตลอดมา ไม่เคยแสดงอากับกิริยากระด้างวางตัวเย่อหยิ่งกันอย่างใดให้เห็นเลยนอกจากวางตัวแบบพระคีริส ซ, ซึ่งเห็นแล้วอดดืม่มสายอย่างจับใจไม่ได้ทุกๆครั้งไปเท่านั้นนี่เป็นคำของท่านเจ้าคุณอุบาลีกล่าวชมเชยท่านพระอาจารย์มั่นในที่รับหลังให้ญาติโยมและพระเนนฟังหลังจากท่านแสดงทรรจบลงแล้วหลีกไปพระที่ได้ยินคำชมเชย น, นี้แล้วนำไปเล่าให้ท่านฟังท่านจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้คณะลูกศิษย์ฟัง เวลามีโอกาสดีๆคำว่ามุตโตไทยที่มีในชีวประวัติย่อของท่านซึ่งพิมพ์แจกในงานชาปนกิจศบท่านก็เป็นนิมิตตกนามไปจากคำชมเชยของท่านเจ้าคุณบาลีครั้งนั้นสืบต่อมาทราบว่าท่านไปพักวัมเพียงเพียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อพศ2472จนถึงพศ2483จึงได้ไปจังหวัดอุดรตามคำอาราธนาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดี วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีตอนเกี่ยวกับอุดรจะรอเขียนลงข้างหน้าเมื่อเรื่องท่านดําเนินไปถึงท่านพักอยู่วัดเจดีย์หวงจังหวัดเชียงใหม่พอสมงบแล้วก็กราบลาท่านจ้าคุณอุบาลีเพื่อไปเที่ยวสแสวงหาที่วิเวกตามอําเภอต่างๆที่มีป่ามีเข่ามากท่านจ้กคุณอุบาลีก็อนุญาตตามอัธยาศัยท่านเริ่มออกเที่ยวครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านไปเที่ยวองค์เดียว จึงเป็นโอกาสอันเหมาะอย่างยิ่งที่ช่วยให้ท่านมีตนเป็นผู้เดียวในการบำเพ็ญเพียรอย่างสมใจที่หิวกระหายมานานนับแต่สมัยที่อยู่กลืนกลนกับหมูคณะมาหลายปีเพิ่งในมีเวลาเป็นของตนในคราวนั้นทราบว่าท่านเที่ยวิเวกไปทางอำเภอแม่ริมเกียงดาวเป็นต้นเข้าไปพักในป่าในเขาตามนิสัยทั้งหน้าแรงหน้าฝนการบาเพ็ญเพียรคราวนี้ท่าเลาว่าเป็นความเพียรขั้นแตกหัก ท่านพร่ำสอนตนว่าคราวนี้จะดีหรือไม่ดีจะเป็นหรือจะตายต้องเห็นกันแน่นอนเรื่องอื่นๆไม่มียุ่งเกี่ยวแล้วเพราะความสงสารหมู่คณะและการอบรมสั่งสอนก็ได้ทำเต็มความสามารถแล้วไม่มีทางสงสัยผลเป็นประการใดก็เห็นประจักษ์มาบ้างแล้วตันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสงสารตัวเองอบรมสั่งสอนตัวเองยกตัวเองให้พ้นจากสิ่งมืดมิดปิดบังที่มีอยู่ภายในให้พ้นไป ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีภาวะเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะเป็นชีวิตที่เกลื่อนกลนทนทุกข์จนเหลือทนแทบไม่มีเวลาปีกตัวออกได้แม้จะมีสติปัญญาพอเป็นเครื่องพาหลบซ่อนผ่อนคลายความทุกข์ได้บ้างไม่เผาลนจนเกินไปก็ตามแต่ก็จำต้องยอมรับว่าเป็นชีวิตที่กระสึกกระสนอดทนต่อความทุกร้อนอยู่นั่นเองการบำเพ็ญก็น้อยผลที่จะพึงได้รับก็นิดเดียวไม่สงกับความเหนื่อยยากลำบากมานาน บัดนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เดลีกออกมาบำเพ็ญอยู่คนเดียวในสถานที่เปล่าเปลี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดนี่คือชีวิตของบุคคลผู้เดียวไม่เกี่ยวเกาะนี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญที่เป็นและที่ตายของบุคคลผู้มุ่งตัดความยืเยื้อใหญ่ทั้งภายในภายนอกอกอกจากใจมิให้มีสิ่งกังวลเศษเหลืออยู่พอเป็นชื่อแห่งภพชาติอันเป็นที่ไหลายมาแห่งกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งจะตามมาบีบบังคับให้จำต้องทรมานต่อไป ไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้นี่คือสถานที่ของผู้มีความเพียรตามติดเพื่อประชิดต่อสิ่งที่เคยก่อพบก่อชาติอันเป็นจอมฉลาดทางปิ้นป้อนหลอกลวงให้พลอยหลงตามอยู่ภายในให้ขาดกระเด็นประจากใจในไม่ช้าอย่ามัวพะวะพะวงกับสิ่งโน้นสิ่งนี้คนโน้นคนนี้อันเป็นเรื่องของเรือพ่วงที่เพียบด้วยภาระหนะักจะไปไม่ถึงไหนและใกล้ต่อความอับปาง ทั้งห่างเหินต่อฝั่งแห่งพระนิพพานเมื่อถึงที่หมายตามใจหวังแล้วความเมตตาสงสารจะดับไปตามกิเลสความเห็นแก่ตัวไม่เลี้ยวแลผู้ใดที่กําลังตกทุกข์ก็ขอให้รู้กันในวงแห่งความบริสุทธิ์ที่กําลังมุ่งมั่นวันเกรงกลัวจะไม่ถึงดุเวลานี้ขณะนี้จงห่วงยายตัวเองเมตตาตัวเองให้พอกับความหวังด้วยความเพียรของผู้เป็นสิทธิ์พระสถาคตผู้ปรากฏเด่นทางความเพียรไม่ลดละและถอยกําลัง เราทราบไปอยังว่าเวลานี้เรามาทําความเพียรพยายามเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารมีพระนิพพานเป็นหลักใจไกลกังวลละพ้นทุกโดยประการทั้งปวงถ้าทราบแล้วประโยคพยายามของผู้จะข้ามโลกส ม, มตุติท่านดําเนินกันอย่างไรบ้างพระศาสดาผู้ทรงพาดําเนินและประกาศสอนทำไว้ท่านพาดําเนินและสอนไวอย่างไรท่านสอนไว้ว่าพอรู้เห็นอธรรมบ้างแล้วให้เริ่มห่วงนั่นห่วงนี้จนลืมตัวหรือร อ, อย่างไร แรกเริ่มที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาแก่หมู่ชนโดยมีพระองค์และพระสาวกไม่กี่องค์ที่ควรช่วยพุทธภาลให้เบาลงและเพื่อพระศาสนาได้แพร่ไปในหมู่ชนกว้างขวางโดยรวดเร็วข ค, ควรอย่างยิ่งสำหรับเราไม่เข้าในลักษณะนั้นจึงควรเห็นตนเป็นสําคัญในขณะนี้เมื่อตนชอบยิ่งแล้วประโยชน์เพื่อผู้อื่นจะค่อยตามมาอย่างแยกไม่ออกนี่จัดว่าเป็นผู้รอบคอบและไม่เนิ่นช้า ควนำมาคบคิดเพื่อเป็นคติแก่ตัวเราเวลานี้เรากําลังเข้าอยู่ในสนามรบเพื่อชิงชัยระหว่างกิเลสกับมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อช่วงชิงจิตให้พ้นจากความเป็นสมบัติของสองเจ้าของมาครองเป็นเอกสิทธิ์แต่ผู้เดียวถ้าความเพียรย่อหย่อนความฉลาดไม่พอจิตจำต้องหลุดมือตกไปอยู่ในอํานาจของฝ่ายต่ำคือกิเลสและพาให้เป็นพัตจักรหมุนเพื่อความทุกร้อนไปตลอดอนันตการ ถ้าเราสามารถด้วยความเพียรและความฉลาดแหลมคมกิจจำต้องตกมาอยู่ในเงื้อมือและเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราแต่ผู้เดียวคราวนี้เป็นเวลาที่เรารบปรันฟันแทงกับกิเลสอย่างสะบ้นหันแหลกไม่รีรอยอร่อหย่อนอ่อนกําลังโดยเอาชีวิตเข้าประกันถ้าไม่ชนะก็ยอมตายกับความเพียรโดยถ่ายเดียวไม่ยอมถอยหลังพังทลายให้กิเลสหัวเราะเยาะเย้ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายไปนานถ้าชนะเราก็ครองอิสระอย่างสมบูรณ์ไปตลอดกาล ทางเดินของเรามีทางเดียวเท่านี้คือต้องสู้จนถึงตายกับความเพียรเพื่อชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้น